ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณียืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างสองต่อสองกับชายในที่แจ้งจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า